โมตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโต ดังสังขละสัการินาดุสังขุปนังย่าดิสังขละพัตตะละังสังขูยมังคตินาดุสังอายะธรรมโตค a ตาปุญญาตราเดีาตินังอัตติทุงเอสานัติสุภณุเมันเตสังขูดังสังขสักกดังัง สังโฆยิม oh ังกาตุนนาตุสังญาตสมุโขกาตปุญจคเดดิกาตินังอัจจาริตุงญาติอาญาติสมุทโขมาติยิมัสสะก u ตินาตุสังญาติสมุทโขกาตะปุญจคานังกินังอัริตงสตุนัสะตนะมติสสย ทิ้งนังดังสังเวน่าคัตินาดุสังลายสเมโตคัตปุญญาตัคคตินังอัตตริุงคามติสังคัตตาตัสมาตุนิเอวะเมตัง พิธีกรรมแห่งการถวายผ้ากรีินเป็นของยากถ้าหากขอกตนญาตโมยมญาติพี่น้องมีกิจตาถ้าหากไม่มีพระสงฆ์จำปัรษาห้ารูปขึ้นไป้าตโยมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ถวายผ้ากรีิน เพาว่านั่นแหะที่ว่าเป็นของยากยากที่จะมีพระสงฆ์มีพระสงฆ์แล้วยากที่จะมีจิตศรัทธามีจิตศรัทธาแล้วก็ยังยากจะทําให้เป็นข้ากษิตกิจกรรมอย่างเราเราทเห็นไหมต้องใช้พระสงฆ์ยัดสวดจัดติดสองรูปสวดอปปโลกนกรรมสี่รูปเรียกว่าพระเรียงสง ถามพระสงฆ์ว่าสงควรให้ครูบาอาจารย์ซีมิตรนำฉาย า, าว่าชื่อนี้รับหรือเปล่าปฏิยังกันถามไปองค์หนึ่งสถางก็รับแต่เห็นพ่อคอยรับครับสังฆามะปันเตองค์ที่สองก็ให้นิ่งอยู่ถ้าบสงทั้งหมดเห็นพ่อสงควรให้ท่านอาจารย์รูปนี้รับปฏิสิก็นิ่งองค์ที่สาก็ถามต่อไปอีกรุตจติปันเตองค์สุดท้ายองค์สา สามขั้นสี่ขั้นองคสุดท้ายสาสปราาททุบปันเตศงทั้งหมดไม่ผัดข้องปาสาทุบันเตองสุดท้ายนั้นก็ยังไม่ได้เป็นกระถินต้องไปตัดไปเย็บไปยอมได้สีของผ้าพระสงฆ์ภายในวัดนั้นต้องมารวมกันอีกขั้งหนึ่งเพื่อการกรถินที่ว่าอกสนได้โจมพ้องทางอัตโนต แ้วนำท่านผู้หญิงแทนท่านทูแล้วก็ได้หรอกาว่ากันยุ่เมื่อกี้นี้นั่นขั้นรับแล้วจงการกระินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อวความสุขแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายนั่นถ้ารับแล้วไม่ทำตามคำที่พวกญาติโยมปรารนาสวายอย่างนั้นก็ผิดทำไม่ในอีกพระสงฆ์ผิดศีลเอง แล้ ว, ว่าจะทำแล้วไม่ทำให้ญาติให้โยมก็เหมือนเราสร้างบ้านจะสร้างบ้านต้องจ้างช่างถ้าช่างทาถูกต้องก็จะดูถูกใจถ้าช่างทำไม่ถูกต้องก็ทะเลาะกันไม่ดีไม่งามสันใดก็เหมือนกันทางระศาสนาตะสงเป็นช่างที่จะทำท่ากระถินต้องรู้จักเกย็บย้อมกระการรู้จักสีของป้ารู้จักตัดตักเย็บัดย้อม พระวันั้นหนีไปไหนไม่ได้วันนั่นแต่การเสร็จแล้วก่อ น, น, นโดยเฉพาะในประเทศไทยนั่นแหละต้องตกต้นมน้ำย้อมต้ม อ, อะไรสมัยก่อนฝนตกลินพรมพรมน่าทอบตถทีนี่โอ้ต้องดังไปย่างสุงไฟย่างผ้านี่ยโดยทุกวันนี้มันสะดวกรีดแปบเดียวจบย่างไฟแป๊บเดียวก็จบสมัยก่อนดังไฟรสถานที่ดังไฟก็ยากไปด้วยนะ เป็นหัวนกเนเป็นของยากนั่นแหละทีว่าเป็นของยากยากที่จะถูกทางยากที่จะทําได้ยากที่จะพระสงฆ์จะทําให้สําเร็จร่วงถ้าพระสงฆ์ทำไม่เป็นก็ไม่เป็นกฐินนะมีโอกาสปีหนึ่งได้วัดนั้นได้รับครั้งเดียวนะ <c oughs> นี่ก็เป็นของยากนะเพราะฉะนั้นออกกันจะจงทั้งใดทั้งใจไปคิดสแสวงหา วัดไหนมีพระสองห้ารูปไปยิบข่าวจางพวกเรามาต้กหลายเมืองประเทศไทยก็มาอีกด้วยว่าแสวงหาสถานที่ของพระเจ้าพระสง์พแม่ครูพรอาจารย์อยู่ยจำภาษาได้อา น, นิสงส์ห้าสาหรับพระสงฆ์สําหรับจ่าโยมก็ได้อา น, นิสงส์เท่าเดิมได้ตลอดการตลอดเวลาพระสงฆ์ได้อา น, นิสงส์แค่เดือนทีเทงได้ลดย่อนผ่อนผันครามยินในรู้จั ก, จากอา น, นิสงส์ห นั่นไม่บอกไม่ลาจากครูบาอาจารย์ก็ไปได้ไม่ถือผ้าในไตหมดครบไตก็ไปได้ไม่ฉันคณะโพชนะรวมกันนั่นไม่ถือผ้าตะบงจีวรหลายผืนไม่ต้องยึด ก, กับผ้าก็ได้นั่นอันนี้สงของพระนะรถยนต์ผ่อนผันพระวินัยนิดหน่อยแต่ส่วนมากพระอยู่ในป่าก็ไม่รถยนต์ผ่อนผัน ไปไหนมาไหนก็ต้องบอกกูแม่กูบาอาจารย์พ้าไต็ไปไหนมาไหนก็เอาไปด้วยไปไหนมาไหนก็ฉันแต่เพราะที่ของท่านแต่ลท่านจะรูปฉันได้บาศไม่ได้ฉันรวมกันภาชนะคณะโภชนาะกวรวาลฐาชีวัลังโยตราชีวัล ป, ปโกนะคําที่พระกุโปกอปโลกนากรรมคือฉันคณนะโพชนะเข้าใจไหมทั้งรวมกั น, น, น วัดพุทธเจ้าอนุญาตให้ถึงเดือนสี่เพีงหลังจากนั้นก็ไปสันรวมกันไม่ได้คือสําหรับกันเดียวสันสามลูปสี่ลูปนั่นละคณนะโพชนะคือรวมกันปกติพระอยู่ในป่าในโรงฉันพระชนะของท่านเองในบาทของท่านเองได้รับตัดสิแล้วก็มีอนุญาต น, นิดจอยแต่ไปถึงเดือนสี่เพีงนะหลังจานั่นก็ไปถือข้อวัดปฏิบัติถือมดทุกข้อ เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ะสงส่วมากในฝ่าในรงไม่ได้ถือพระวินัยไม่ได้ถือไอ้เรื่องที่พระพ เ, เจ้าอนุญาตให้ <c oughs> เรียกว่าการละทานนั่นแหละทั่วการทั่วเวลาชั่วระยะหนึ่งภายในหนึ่งเดือนผู้สแสวงหาสถานที่จึงจะได้ทําทานกระถินที่นี่ข้านิยมกระถินมีอยู่สองอย่างโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยโลกาคื อ, อยังไงเอาแบบทางโลกเป็นใหญ่ มีมาหอแล้ศพคบงานแห่ออมบา้านออกเมือง <c oughs> มาถึงวัดก็แห่ลอ้อผู้คนสองรอบสามรอบตีกองตีข้องตีไร้วันลำทำเป่งเดีกสีตีเป่าวางหมู่บา้านมือใช้ถือขวดเหล้ามือขวบวัดตายในวัดนัน่นเห็นไหมนั่นโลกาธิ่ปไตยนั้นมีมาหอแล้ศพคบงานอยู่ในบา้านสองวันสามวันแต่ทามาธี่ปไตยเอาทำเป็นใหญ่ เราสินเราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ให้มาด้วยความเงียบส ง, ง่าไม่ใจบุ่นไหวในวัดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็ดูเขาวัดร่ำธบรมกีสีตีเบาผิดสินนัจคีตวาติตาวีทูปัตนามาลานั่นพรเจ้าห้ามเหรอทำไมจึงไปทำละ่ะมาฟ้อนในวัดมาแข่งในวัดมาอะไรในวัดเดี๋ยวยีนเมืองไทยยังห้ามไม่นะห้ามนุ่งน้อยห่มน้อยเข้าวัด แต่งัวไม่สุภาพพวกไหนล่ะพวกที่ไม่ละอายโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศร้อนดิด่งๆประเทศไทย ม, มองโคตมสมบูรณ์สะดวกสบายประเทศสยามน่าเยิ่มมีแต่น่าปวดทุกวันนี่พเพราะอะไรล่ะพราะนี่เยอะได้ยิ่มอะไรเที่ไหนรถป้ายแดงชนกันทะเลาะ ก, กันแต่ป้ายไม่แดงก็ไม่นั่งนั่น นั่นแหะโลกาธิไปไตยเอาแต่ความพุ่นวายคนเราชอบอยุ่งเข้าใจไหมถ้าทำ ม, มาธิไปไตยเอาทำรรอยู่จะควาเงียบเรามาเงียบไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้พราะเราต่างคนต่างเงียบนั่นแหะเป็นด้วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะพระพุทธเจ้าจึงสอนพระุทธศาสนาจะเป็นไปพวกเพื่เพื่อคนกระเริ่งลุ่งเรืองไปจากพุทธบริษัทสี่ภิกษุสมมาเนรอุบาสกอุบาสิกาช่วยการรักษา ว่าศกก็คือผู้ชายอุปจิกาคือผู้หญิงคำว่าวัดไม่ใช่บ้านวัดกายได้กราบวัดพระจายินาสกาเลยนะวัดใจดูลมหายใจเข้าออกคิดออกย่ำทุกวันทุกวันนั่นอาหารใจคือลมถ้าเราไม่มีลมใจก็หนีแล้วแต่คนส่วนมากก็ไม่ค่อยดูนะนั่นเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ ต, ตัดตัลลุพรเจ้าได้ ต, ตัดตัลลุเพราะดูลมพระพุทธเจ้า ว่ายัางไงทมที่เราสถากดิตัตรูยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้เข้าใจไห ม, มบางคนไม่เคยดูลมตะกทียนจะเกิดมาเอแจะว่าทำง่ายไหมล่ะถ้าได้ท้พพุทธถ้าได้ทัพพุทธ แ, แต่ไม่รู้จากคำว่าทำบุญลุก็คืออยู่ที่ลม ยุ่งเกินยิ่งกว่าคนามสงบไม่มีไม่ใช่บุญอยู่ที่ร่างกายทั้งขานร่างกายไม่เที่ยงของคุณพ่อคุณแม่เสืออแล้วแก่เก็บตายห้ามได้ไหมห้ามทั้งขานร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เก็บไม่ให้รบหายตายจากไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยร่างรวยสวยงามมาไปด้วยได้ไหมบุญถ้าไม่มีบุญบาปพาใจไปไปทา่ไหน ใบายาภูมิทั้งสี่เป็นที่หวังได้นั่นถ้าไม่มีสินธรรมของพระเจ้าอยู่ในกายวาจาใจพระเจ้ากา็ล่ะไม่มีสินธรรมใครก็ว่ามีมีโชคุดโชคุดทำดีทำดีทำ ด, ทำดีอะไรเกินจำเท่าไหร่เต็มไปหมดนั่นทำดีไม่รู้ปุณก็เพื่อยทางนั่นแ่ะถ้าทำดีไม่เหลือร้อนตนเองและคนอื่นทำดีเหลือรอนตนเองและคนอื่นไม่ใช่ทำดีนั่นผิดธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนทํำไมไปตาําไปทํากัน เรื่องจำม่ทเท่าไรเต็มไปหมดแน่นไปหม ด, หมดอยากให้เข้าใจอยากเข้าใจไม่ไากดูลงหายใจเข้าออกเน่นภาคปฏิบัติบูชานะปฏิบัติบูชานั่นไม่ไากทําบูชอาหารใจไม่ได้ซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อแต่งใจไม่ได้ซื้อรักษาใจไม่ได้ซื้อสังขารร่างกายน่ะ ราคาแต่งร่างกายเท่าไหร่แต่งผมราคาเท่าไหร่แต่งเล็บราคาเท่าไหรแต่งฟันราคาเท่าไหร่แต่งเนื้อหนังมังสังทุกวันราคาเท่าไหร่คิดดูเพาราะร่างกายแต่งเท่าไหร่ก็เท่าทก็แก่ก็เจ็บ ก, ก็ตายท่องดังให้ใหเกลียดในหัวใจไดใยในเพื่อจะไม่ได้แต่งบ่อยอยากจะมาแต่งใจมันไม่ได้ซื้ออาหารใจเวลาเราเสียชีวิตแล้วเราทําอะไรไว้ทําบุญบุญก็พาไปถ้าไม่ได้ทำบุญบากพาไปนะ เก้าอี้ตัวเดียวใจตัวเดียวคนนั่งสองคนหนึ่งคนชั่วสองคนดีเก้าอี้ตัวนี้หนึ่งคนบาปสองคนบุญคนบาปไปน น, น, ไป น, น, ไปนั่งคนบุญออกไปคนบุญเป็นั่งคนบาปออกไปหัวใจของเรากำลังกันเพราะฉะนั้นทุกที่สุดคือหาที่เกิดถ้าเราไม่ได้ทำคุณงามความดีไปเกิดไม่ได้เพราะลูกหลานที่เกียดเลี้ยงเพราะเกิดกับพุกับหลานก็ต้องเกิดแล้ว ถ้าได้เชื่อผู้เจ้าทําตามผู้เจ้านะไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแต่ว่าพระนิพพานก็แล้วแต่หรืแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวคือไม่ต้องอามักเกิดเกิดไหมดูลมหายใจก็ออกดูหนึ่งนาทีถามเข้าไปอีกถามหัวใจนั่นดูหนึ่งนาทีเี็นไงสบายไหมสุขไหมนั่นละ่ะสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มี เข้าใจด้วยหน้าบุญกุศลน้องตนจะชมหลงหลานจะตีดพี่น้องตลอดทั้งต้นก็ดีมาบริษัทบริวาลมาทำทานก็ดีทรัพยิ่นก็ดีแตรื่เมตตาภาวนาฟังธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลเดิมนี้บุญกุศลของ <c oughs> ออกก่นเดาโจมเดติพี่น้องพระเจ้าผาสมได้ปฏิบัติมาแล้วก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักษาราษฎเดาโจมเดติพี่น้องลูกหลานตลอด ท, ทั้งต่างตัวก็ดีตรงมี้ตะความสุขความเจริญสุขกายสุขใจเรื่องทางเรื่องความสะดวกสบายตลอดปอดภัยกัรงานจึงได้การงานจึงได้ปัจจนาจึงหนึ่งอันใดจงสาเร็จ ก, ก็จงสํงงาเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าจงภากันตั้งหกตั้งใจปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แลต้องมีดวงจิตตวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี่เธ อ, อ